การอบรมจิตนี่เป็นสิ่งจําเป็นทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าจิตนี่มันยังมีกิเลสห่มห่ออยู่เสมอๆตัวกิเลสมันก็กรบกวนเอาให้เกิดความรักบั่งความชังบ้างให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจบ้างความขับแค้นใจบ้างอะไรพวกนี้ มันก็ เ, เป็นเหตุให้จิตใจ ว, วุ่นวายไม่สงบระ ง, งับได้ดังนั้นนะก็จึงต้องมีการอบ ร, รมกันฝึกกันเพื่อให้จิตนี้มันหยุดยัง้งตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอย่าให้จิตมันเขวออกไปนอกทางผู้ที่ไม่มีศรัทธา ฝึกผลอารมณ์จิตนี้ก็ น, นัะว่าจะต้องได้รับทุกทนทรมานไปนานพูด ท, ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในใบหน้าเข้าสู่สินธรรมนี่ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปนานไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่เสมอใด แล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีทางพ้นไปได้เพราะบุคคลมีทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์เมื่อทุกขคอบกรรมมาแล้วก็ไม่สาวหาต้นเหตุ ข, ของทุกข์อันนี้แหละผู้มีปัญญาทางหลายได้สดับคํคำสองตัวเจ้าแล้วเมื่อทุกข์มาถึงเข้าก็ท่องพิจารณ า, าว่าทุกข์นี่มันต้องมีเหตุมันมาจากเหตุอะไรเช่นทุกข์ใจอย่างนี้นะ จิตมันต้องยึดถือเหตุอะไรอันหนึ่งไว้ซึ่งเป็นเหตุฝ่ายชั่วหรือว่าเป็นเหตุฝ่ายกิเลสเช่นนี้แล้วมันได้โอกาสมันก็ย้มจิตใจให้วันไหวจิตใจก็วันไหวเต้ามองขุนมัวไปเมื่อบุคคลมาสาวหาตนเหตุมันได้ว่า ความทุกข์ใจในขณะนี้นะมันเกิดมาจากเหตุอันนี้อย่างนี้นะเพราะตอนยึดเหตุแห่งความรักไว้ก็ดีหรือว่ายึดเหตุแห่งความชังไว้หรือว่ายึดเหตุแห่งความหลงความไม่รู้จริงความไม่รู้จริงสิ่งได้แล้วก็ยึดถือเอาไว้มันก็เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปวนไปจิตใจมันก แปรพันไปตามอันนี้แหละต้องพิจารณาดูจิตตัวเองมันยึดเอาอะไรไว้เวลามันรุ้แรงเดือดร้อนเมื่อรู้ต้นเหตุแล้วเราไปกำหนดกำหนดใจล่าเหตุอันนั้นเสียเมื่อเหตุอันนั้นดับไปแล้วความทุกข์ใจมันก็ดับไปเออมันเป็นอย่างนี้แต่ความรักมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะ เรากำหนดละความรักตันเสียพิจารณาเห็นสิ่งที่รักใครดอ น, นั้นเป็นสภาวธรรมไปเป็นของแตกของดับไม่ใช่ของสวยงามที่จะน่ารักใครพอใจอะไรอย่างปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตเห็นแจ้งแล้วมันก็คลายความรั ก, รกนั่นออกไปแม้ความทังก็เหมือนกันเนี่ย ถึงขั้นประมท ธ, ธรรมแล้วอารมณ์ของจิตทุกอย่างล้วนแต่เป็นของเกิดแล้วดับไปดีก็ดีชั่วกว็ดีไม่มีสิ่งใดที่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้บางคนก็อาจจะว่าเอาความดีก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ น, ะนั่นฉะไหนลวความดีมันจึงจะเป็นที่พึ่งทางใจได้ ในที่นี้หมายเอาความดีอย่างโลกโลกอย่างโลกโลกเช่นไปเห็นว่าคนนี้ดีสิ่งของอันนี้สวยงามอย่างนี้นะคนนี้ดีคนนี้น่ารักให้พอใจแล้วก็ไปยินดีกับบุคคลแล้วไปยินดีพอใจกับสิ่งของนี่ท่านเรียก ว, ว่าอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดี อันนี้เลยที่ท่านสอนให้ละอยู่นะ น, นะถ้าความยินดีในธรรมอันประกอบด้วยปัญญาแล้วมันเป็นกำลังใจอันสำคัญพราะพุทธเจ้ายังตรัสว่าธรรมะปีติสุขังเสติวิปสัสเนนาเจตต า, าความเป็นผู้มีปีติอยู่ในธรรมอันเป็นกุศล ย่อมอยู่เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขอันนี้หมายถึงความยินดีในธรรมสมควรแท้สมควรที่จะมายินดีในธรรมอันเป็นกุศลที่เราบาเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในจิตใจแล้วเราก็ต้องทำความยินดีพอใจในธรรมที่ตนบาเพ็ญให้เกิดมีหรือว่าตนได้พิจารณารู้แจ้งประจักษ์ เช่นทุกข์อยงนี้มันก็เป็นธรรมอันหนึ่งอย่างนี้นะเมื่อเรารู้เท่าทุกข์เห็นแจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงจิตไม่วันไหนแล้วมันก็เกิดปีติขึ้นมาว่าเราเอาชนะทุกข์ได้อือย่างงี้นะแม่ร่างกายนี้จะเป็นทุกข์จิตใจไม่ทุกข์ไปตามเพราะว่ารู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของตนมันแปรผันไปจะไปทุกข์กับมันทําไม นี่ก็ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตมันรู้ความจริงของร่างกายอย่างว่านี้แนละ้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกพร้อมกับละเหตุแห่งทุกข์ก็คือถ้ามองไม่เห็นว่าไม่ได้ยิ น, ย, นยินได้อะไรกับภายนอกกะแสดงว่าจิตมันไม่รู้เท่าขันทางหน้าอันนี้เมื่อขันหน้าในแปรปรวนไปจิตก็วนไว้ไปตามอย่างนี้ เหมือนเรารู้ว่าอ๋อความหลงความไม่รู้แจ้งในขันอันนี้จิตเจงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปก็มาเพ่งให้รู้แจ้งขัน 5, ท, ทั้งห้าธาตุทั้งสี่ตามเป็นจริงเข้าไปอมเมื่อมันเพ่งรู้จริงตามสภาพความเป็นจริงแล้วว่าธาตุสี่ขันห้าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ใชบุคคลก็ยังเป็นสภาวะธาตุอยู่ตามเดิมของมัน เมื่อมันบุญกุศลอย่างหล่อเลี้ยงรักษาอยู่ธาตุทั้งสี่มันก็ปร่งรองสมัครีกันอยู่อย่างเนี้ยเมื่อบุญเก่ากรรมเก่าหมดลงไปแล้วธาตุทั้งสี่นี่มันก็แตกสามัครีกันไปธาตุน้ําก็ไปพอธาตุน้ำธาตุดินก็ไปพอธาตุดินธาตุลมก็ไปพอธาตุลมธาตุไฟก็ดับไปตามเรื่องของธาตุไฟมันจะรวมกันอยู่เป็นรูปเป็นร่างอย่าง นี่มันรั้วไม่ได้เพราะมันหมดเหตุปัจจัยอุปธรรมบํารุงแล้วนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะดูเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยคําว่าของเราของเขาคําว่าสัตว์ก็บุคคลนั่นนะอย่างนี้แหละเรียกว่าเราละเหตุแห่งทุกนู่นต่างหากเมื่อละเหตุอันนั้นได้แล้วทุกทางใจมันก็ดับไป ใจก็มันเป็นทุกข์แต่ธาตุสีขันธ์นี่มันก็เป็นทุกข์อยู่ตามเรื่องของมันนั่นแหละคือมันมันเป็นลักษณะทุกขลักษณะหมาเข้าอย่างนั้นถึงจิตใจไม่หวั่นไหวอย่างไรก็ตามแต่ลักษณะแห่งความทุกข์คือคือวามทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้อันนั้นมันมีอยู่ในธานตุสีขันธ์อย่างนี้แหละแม้ว่าจะมีจิตรู้เท่าสักเท่าใดก็ตาม มันต้อมีอยู่นี่แต่จิตก็รู้เท่าอยู่นั่นตามเป็นจริงนี่แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้รู้แจ้งในทุกพร้อมทั้งเหตุทำเป็นจริงเมื่อเหตุดับไปทุกทางใจมันก็ดับไปเป็นงนั้นเมื่อทุกดับไปจิตใจก็ส ง, งบลงเป็นหนึ่งคงที่ก็รู้ว่าโอการดับทุกนั้นดับตรงนี้ดับดับตรงที่ จิตใจไม่ยึดไม่ถือต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นก็รู้แจ้งประจักษ์ตัวตนเองนี่ก็รู้แจ้งว่าเหตุแห่งทุกข์ที่จิตยึดถือไปนั้นดับไปแล้วพอเห็นแจ้งแล้วละมันไม่ยึดถือเอาไว้มันก็ดับไปเมื่อเหตุเล่านั้นดับไปทุกทางใจมันก็ดับลงนี้นะแต่ถ้าเหตุเหล่านั้นยังไม่ดับทุกทางใจก็ยังไม่ดับ เราก็ต้องพิจารณาพยายามเพ่งพิจารณากำหนดละมันจนว่าเหตุอันนั้นมันดับลงไปให้ได้เหตุท่านั้นจือว่าบางอย่างมันก็นานดับไปเหตุแห่งทุกข์นั่นแ่ะเราพิจารณาเทียเ่ยวเดียวหนึ่งจะให้มันดับไปเลยอย่างนีมน้มันบางทีมันก็ไม่ดับไปก็ต้องพิจารณาหลายเที่ยวเป็นอย่างนั้นพิจารณาไปพิจารณามาพิจารณาอนุรโลมปฏิลมเข้าไปแล้วก็ เมื่อมันเห็นแจ้งเรื่อง น, น, นั้นขึ้นมาด้วยปัญญาแล้วมันก็ละได้เลยบบบนี้จินแะไรมันก็ละความยึดมั่นเหล่านั้นได้ไอความพยายามความสารวมกายวาจาไม่ไทำชั่วด้วยกายด้วยวาจามัมนก็เป็นศิล์อยู่แล้วบนี้ความ สัมรณ์ใจเท่งใจให้สงบประ ง, งับลงไปหนึ่งยยอันนี้มันก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งอันนี้ความที่จิตมาพิจารณารู้แจ้งเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นแล้วสามารถปล่อยวางได้ด้วยปัญญานี่ก็เรียกว่าเป็นเหตุอันหนึ่งที่จะให้เหตุแห่งทุกข์นั้นมันดับไป กรหมความว่ารวมความเรียกว่าผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บังเกิดขึ้นในจิตแล้วนั่นแหละจิตถึงมีกำลังเข้มแข็งละเหตุแห่งทุกข์นั่นได้อเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พึงพากันพิจารณาดูทมอันเป็นเครื่องระงรับทุกข์ในพุทธศาสนานี้นะ ได้แก่อริยสัจจะทำทั้งสี่นี่เราไม่ควรที่จะไปถือว่าเป็นธรรมอันลึกซึ้งไม่สามารถจะรู้ได้เข้าใจได้ความจริงนะ่ะไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นอะไรอย่างเช่นทุกขังอริยสัจจ์ไ ง, งนนะทุกนั้นมีจริงอย่างนี้ก็ความเกิแก่เจ็บตายนี่มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วมันมีอยู่ ไอ้ทำไมจึงจะไม่รู้รู้ทุกคนนะเพราะว่าความเกิดก็ได้แก่ร่างกายอันนี้นจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี่มันแก่ชราทุดโนลงไปจิตก็ต้องรู้เมื่อโรคไัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนร่างกายอันนี้จิตก็รู้นืนั่นแหละเมื่อรู้ว่าหมอช่วยไม่ได้แล้ว มันจะต้องหมดอายุสังขารแน่แล้วจิตก็รู้แต่ว่ารู้เฉยๆรู้ไม่ประกอบด้วยปัญญาแน่นอนนะมันก็ต้องเป็นทุกข์แหละต้องเดือดร้อนอเป็นงานเรือกนะรู้นะทีนี้ต้องรู้ด้วยปัญญาต้องรู้ตามเป็นจริงรู้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของขันห้า อาศัยตัณหาความทยานอยากแล้วละตัณหา ไ, ไม่ได้ผมก็เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วก็ใช้ขันให้ทําดีบ้างทาชั่วบ้างวันนี้กรรมดีกรรมชั่วก็นําจิตวิญญาณให้ไปเกิดอีกในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปวันนี้เมื่อผู้บาเพ็ญทางจิตภาวนา เข้าไปอย่างนี้ละความอยากเหล่านี้ออกไปจากหัวใจเสียอยากเกิดอีกก็ไม่อยากอยากให้ขันห้ามันตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ตลอดไปก็ไม่อยากอยากให้ขันห้ามันเที่ยงไม่ให้มันเจ็บมันไข้ให้มันแปรปวนแตกดับก็ไม่อยากทําไมยังไม่อยากเอาถึงอยากได้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมันไม่อยู่ในอํานาจบัญชาของผู้ใด เมื่อเป็นเช่นนี้จะไปอยากมันทำํำไม่ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้นะกุลละความอยากดังกล่าวมันนั้นเสียเมื่อความอยากเหล่านั้นดับไปแล้วความทุกข์ทางใจยมันก็ดับ อ, อย่างนี้แล้วให้พากันเข้าใจเมื่อความอยากดับไปหมดแล้วเหตุปัจจัยที่จะนํำดวงขีดไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปนะั้นไม่มีแบบนี้นะ ถ้าพูดมาถึงนี่เหมือนกับ ว, ว่ามันง่ายได้นะเราละความอยากแต่และไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกอันนี้แล้วก็เข้าใจว่าไม่ต้องเกิดอีกแต่เมื่อบุคคลยังไม่ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมอย่างที่ว่ามานั่นเอไอ้ความไม่อยากอันนี้มันก็เป็นไปในชั่วข้าวเท่านั้นแหละเมื่อยังไม่บรรลุอริยสัจจะทรรมนะ ความเบื่อหน่ายพวนี้ก็เป็นไปชั่วคราวความไม่อยากพวกนี้ก็เป็นไปชั่วคราวเท่านั้นเองเผลอๆแล้วมันก็เกิดอยากขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้เพราะมันยังถอนรากของความอยากอันนี้ไม่ได้อืส่วนที่ท่านผู้ใดบรรลุโลกุตระรมแล้วนั่นนะหมายความว่าท่านถอนรากของความอยากคือตัณหานั้นด้วยปัญญาได้แล้วโดยเด็ดขาด ปัญหาความอยากประเภท น, นั้นไม่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอีกต่อไปแล้วเช่นนี้นะมันถึงจะไม่เกิดอีกอเรื่องมันนะเหมือนอย่างเราถอนต้นไม้ออกจากดินนี่แหละเราพยายามถอนนะมันได้ทั้งรากหมดเลยอย่างนี้ตรงนั้นนะไม้ต้นนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกเลยเพราะว่ารากมันออกมามันถอนออกมาแล้วรากมานะัน มันจึงงอกขึ้นไม่ได้ถ้าไปตัดแต่ต้นมันรากมันยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องงอกแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาอีกอเป็นอย่างนั้นแหละเพราะรากมันสามารถนําอาหารมาเลี้ยงลำต้นสามารถที่จะทำให้แตกแขนงออกมาได้ความอยากของคนธรรมดาสามัญมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อภาวนาไปถึงขั้นสมถะ ความอยากมันก็ระ ง, งับไปจริงเนี่ยระ ง, งับไปในขณะที่ใจสงบอยู่ทีนี้เมื่อใจมันถอนออกมาแล้วไม่มีปัญญาไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาอะไรอย่างนี้นะเอาความอยากมันก็ตามหลังมาอีกแล้วมันก็เกิดแห้อยากนั่นอยากนี่ขึ้นมาอยากได้นั้นอยากได้อ น, นี่ขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าละความอยาก ด้วยอํานาจแห่งสมาธินี่มันเป็นธรรมโลกีมัเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าผู้ที่เจริญปัญญาพิจารณาเหตุผลมาประกอบเข้าไปบ่อยบ่อยเข้าไปไม่ใช่พิจารณาทีเดียวแล้วมาแล้วนะพิจารณาเรื่อยไปอยู่ยนั่นแหละพิจารณาเห็นแจ้งประจับในใจตามปจริงอย่างไรแล้วก็ ป, ปล่อยว่างอืม คันเมื่อมันวางได้จริงใจมันก็รวมลงนี่ก็แสดงว่ามันละเหตุแห่งทุกข์ไปได้เกาะหนึ่งแต่ว่ามันก็ยั้งอยู่แต่มันขยับเข้าไปเอาเมื่อพิจารณาเลื่อยไปทำสมาธิทำใจสงบเราเจริญปัญญาพิจารณาอุบายะลอย่างมาสอนจิตเลยให้มันเบื่อมันเห็นโทษของความอยาก ความปราทนาทั้งๆในโลกนี้อย่างนี้นะเมื่อพิจารณาบ่อยๆปัญญามันก็แหลมคมเข้าไปความรู้มันก็ยิ่งขึ้นความเห็นในนามในรูปอันนี้มันก็แจ่มแจ้งขึ้นแล้วก็เห็นโทษของความยึดถือในของไม่เที่ยงเหล่านี้พร้อมกันไปเลย อันเราเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้พอเรามายึดถือเอาของไม่เที่ยงนี้แล้วอย่างนี้ขั้นเพิ่มเมื่อมายึดถือเอาของไม่เที่ยงแล้วเมื่อของไม่เที่ยงแปรปรวนไปจิตก็หวนไว้ไปตามอยู่อย่างนี้แหละอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยอยีนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตามเป็นจริงอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างว่านั่นเอะ เมื่อขันห้านี้มันแปรปรวนไปจิตมันก็ไม่แปรปรวนไปตามจิตมันกาหนดรู้แจ้งอยู่แล้วก็พร้อมทั้งความอดทนเป็นเยี่ยมเลยเช่นบอกอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากขัหนห้ามันมีบัตรแปรปวนไป น, น, นะนั่นเราอดเราทนก็เพาะเราได้อาศัยมันอยู่แล้วจะจะห น, นีไปไหนก็ไม่ได้ เพราะอายุยังอยู่อายุยังไม่หมดบุญกรรมยังไม่หมดก็ต้องอาศัยมันอยู่อย่างนี้แหละมันจะแปรผันพันวันไว้อย่างไรอย่างไรจิตนี่ก็ต้องอาศัยมันอยู่อย่างนี้ถ้าจิตรู้เท่าอย่างที่ว่ามานั่นเมื่อก็อดทนแล้วอดทนแล้วก็รู้เท่าไปพร้อมว่ารู้ยังไงอ่ะรู้ว่าไม่ใช่เราธาตุสีขันห้ามันแปรปวนอยู่นี่ไม่ใช่เรา ก็ยังว่าธาตุต่างหา่างไงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราจะเป็นทุกข์กับมันทําไมล่ะเนี่ยปัญญาก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็อดทนไปด้วยแม้ว่าเราจะรู้แจ้งสักพันใดไม่ให้ไม่ให้จิตนี้รู้สึกกับความแปรปรวนความทนได้ยากของร่างกายอันนั้นไม่ได้ต้องรู้เพราะอาศัยอยู่กับมันอยู่นี่มันจะไม่รู้ยังไงเล่านั่นไง แต่ว่าเมื่อเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจิตนี่มันทั้งอยู่ด้วยปัญญาด้วยความรู้เท่าถึงจะรู้ทุกข์อยู่แต่จิตก็ไม่เป็นทุกข์มันไปอย่างนั้นพวก ร, รู้อยู่ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราและทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรานี่เพราะว่าทุกข์ก็เป็นเรื่องของขันห้าเมื่อขันห้ามันวิบัติแปลปไปทุกข์มันก็แปลไปตาม เมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราย้ำกันอยู่งี้แหละอสอนใจอยู่เนี่ยเมื่อใจมันรู้ตามปัญญาเนี่ยลังก็เออเป็นความจริงเมื่อเป็นเชนนีเราก็ไม่ท่องวอนไหวกับขันธ์หน้านั้นเลยเอ้ามันจะแปลปูนมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ว่ากันไปตามเรื่องของมันเพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่ยมัน มันไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเป็นของเราเราก็ตรงบังคับมันได้แหละเราพิจารณาสอนใจเข้าไปโดยอุบายต่างๆเหล่านี้นะใจนี่มันรู้แจ้งตามปัญญาแล้วมันก็มันก็ปล่อยมันก็วางความยึดความถือเราเน้นไปทีละน้อยละน้อยไปหากว่าเมื่อปัญญามันแก่งกล้าขึ้นเต็มที่แล้วที่ท่านเรียกว่า มรทัปัญญานี่ปัญญาอันยิ่งปัญญาอันดำเนินไปถูกทางแล้วมันก็สามารถละสังโยชนั่นขาดออกไปจากจิตใจสังโยชน์ที่ความสำคัญว่าขันธ์ห้ามีในตนตนมีในขนันธ์ห้าความเห็นเช่นนั้นนะ่ะดับไปแล้วไม่ไม่มีแล้วเพราะจิตละความเห็นอย่างนั้นแล้วนี่เพราะมันไม่จริงนี่ ที่ว่าขันธ์หน้าเป็นตนอย่างนี้จะเป็นยังไงถ้าเป็นตนของตัวจริงจังมันก็บังคับได้มันก็ไม่แปรปวนไม่แตกไม่ดับปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้นะมันก็ความเห็นที่ว่าเป็นตัวตนมันก็ดับไปความรู้ความเห็นที่ว่าขันธ์หน้าไม่ใช่ตัวตนมันก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าออละสกยสิทธิสังโยชน์ได้ วิจิกิจชาความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษทั้งหลายทั้งหลายก็ไม่มีอืว่ตบุคคลทําใจสงบมีปัญญารู้เท่าขันทั้งห้านี้แล้วจะสงสัยอะไรเล่าอืวถ้าหากว่าเราจิตใจนี้ไม่มีบุญไม่มีกุศลทําเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในธาตุสี่ขันหานี้ได้มันต้องได้สะสมอบรม บุญคุณทั้งหลายมาเต็มที่แล้วจิตตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั่นแล้วเหตุนั้นถึงได้รู้แจ้งขันห้าจึงถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่ได้แบบอย่างนี้จึงไม่สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญน่ะอืที่มันเกิดสงสัยกันอยู่ไม่รู้แล้วนะั่นเรื่องจากว่าทําจิตให้สงบไม่ได้ ทำปัญญาให้เกิดไม่ได้อย่างนี้มันก็สงสัยเอ๊ะเรานี่ไม่มีบุญหรือไงหนอหรือว่าบุญที่ว่าทำบุญได้บุญเนี่ยนี่มันจะไม่เป็นความจริงกันมัง้งเพราะเราก็ทำบุญเหมือนกันไงทำไหมจิตใจจึงวอกแวกกวนไหวไม่รู้แจ้งอะไรอย่างนี้มันก็สงสัยขึ้นมาแล้ว ถ, ถ้าทำใจสงบไม่ได้ทำปัญญาให้เกิดไม่ได้นะอือมันเป็นอย่างั้น การรูกคำในสีลวัดข้อปฏิบัติก็ไม่มีจะรูปคำยังไงถ้าหากว่าตนปฏิบัติไปไม่ตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาอย่างนี้มันไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในขันหา้าตามเป็นจริงได้ก็เพาะปฏิบัติตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญานั่นแหละจึงสามารถรู้แจ้งในธาตุสี่ขันหา้า ตาเป็นจริงได้ถึงกับปล่อยวางลงได้เช่นนั้นน่ะมันจึงได้บรรลุถึงโลภุตระธรรมในขันต้นอ่นเป็นอยงั้นเนี่ยว่าจิตของผู้นั้นอยู่เหนือขันห้ากว่าได้ไหมอเห็นขันห้านี่อยู่มันไม่ใช่ของตัวของตนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะเอขันหน้านี่มันจะแ ป, ปล่วนไปไหนก็จิต เห็นจิตตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับขันห้านี้อยู่เนี่ยพระความรู้แจ้งอันนั้นมันเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนกับความแปรปรวนของขันห้านี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้การบำเพ็ญกิตตะภาวนาในพระพุทธศาสนานี้ความมุ่งหมายก็เพื่อ ที่จะให้จิต ด, ดวงนี่แหละมันรู้แจ้งสภาวะธรรมสภาวะธาตุที่ตนอาศัยอยู่นี้นเรียกว่าหรือในหนึ่งท่านว่าสภาวะธรรมสภาวะธาตุก็ว่าแต่เมื่อจําแนกออกจากสภาวะธรรมสภาวะาตแล้วกว่าเป็นธาตุที่ธาตห้าอย่างนี้นะหรือว่าธาตุหกธาตุสิบแปด E. อินทรีย์ยี่สิบสองอริยสัจสอะไรก็ว่ากันไปผู้มีความรู้กลองขวางก็รู้ไปผู้มีความรู้ไม่คลองขวางก็รู้เอาเฉพาะเท่านี้เรามารู้แจ้งเฉพาะแต่ร่างกายธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างว่ามานั้นแล้วก็พยายามเจริญความเห็นความรู้อันนี้ให ติดต่อกันไปเรื่อยไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้แหละจึงในชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ฝึกฝนจิตใจของตนให้สูงขึ้นไปด้วยคุณธรรมเราไม่ยอมปล่อยใจให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งธรรมอันต่ำช้าคือฝ่ายบาปอากุศลหรือฝ่ายตัณหาต่างๆนี่นะ เราพยายามย ก, กจิตให้สูงขึ้นอยู่เหนืออำนาจของกิเลสตัณหา ต, ต่างๆเหล่านี้ย ก, กจิตสูงขึ้นอยู่เหนืออำนาจแห่งความทุกข์ความดิษณ์นของขันธ์ห้านนี้ก็ปล่อยขันธ์หา น, นี้มันแปลผนไปตามเรื่องของมันแต่จิตนี่ไม่แปลไปตามถ้าผูใ้ใดขยันภาวนา แล้วมันพิจารณาปฏิบัติดังที่แนะนำมานี่ไม่ท้อไม่ถอยแน่นอนแล้วกิเลสตัณหาอันเป็นเนตรได้เกิดทุกข์ตั้งหลายมันก็เบาบางไปเรื่อยๆไปแต่จะให้มันดับไปไวๆทีเดียวนั้นยังดับไม่ได้เพราะอินทรียบรามีเรายังอ่อนอยู่ดันั้นจึงอาศัยการทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยนี่แหละ ก็ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งมีความรู้สูงอยู่เหนือรูปเนื้อนามอันนี้ต่อไป